50 languages. การเตรียมตัวเดินทางคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว อย่าลืมอะไรนะเทนูคุณวิพูลน่าไม่ใช่ใจดาคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่เทนูวันเดสูทเคสดีโลดเหออย่าลืมหนังสือเดินทางนะพาสปอร์ตน่าพูนนะอย่าลืม न न न ตั๋วเครื่องบินนะตั๋น่าปุลนะ อย่าลืมเช็คเดินทางนะอาปนยยานที่เชคนาพูลนะเอาครีมสันแทนไปด้วยนะอาปนนอลซันสครีนมลลมแล้จ้าเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะกาลาจัมแล้จ้าวเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะท็ปปี้แล้จ้าว คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมอย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ เพนต์กมีสจูราบะยัดรักโขอย่าลืมเนคไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะทยเบลต์เต้แจ็กเก็ตยัดรักโอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะโซน वा เล่กับป रातद ราตรีเด็กกับป ट เด้อเตทีชียัดรโขคุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบู๊ต เทนูจุติย์ย์ sandal อัตยบูทันดีจําเป็นต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกตัดเล็บเทนูรูม้าลซาบันอัตยเนลคัตเตอร์ดีจําเต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟันเทนูคังเก้ดันดาเดบูร์ชอัตยทูธเพสต์ดี